จากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคลโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อพสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพ ร, พร้อมกันเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้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 ที่จะดีไปกว่าธรรมะของพระพุทธองค์ซึ่งอาตมาภาคคิดว่าธรรมะหัวข้อที่อาตมาจะให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายไปประพฤติปฏิบัตินี้เป็นธรรมะที่จะยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้บังเกิดความสุขความเจริญแก่ตน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 ก็เพียนขวนขวายประกอบกิจการงานในอาชีพนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ยออ่อท้อไม่ทอดทิ้งไม่ละวางและความภาคเพียนนั้นไม่ใช่แต่เพียงภาคเพียนที่จะทำงานในหน้าที่รับผิดชอบแต่อย่างเดียวพึงภาคเพียงเอาใจใส่ที่จะนำวิทยาการความรู้ใหม่ๆที่จะนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ ชีวิตและอาชีพของตนโดยชอบนั้นพึงศึกษาพึงรวบรวมใส่ใจใส่ความรู้ความชำนาญของตนให้เพิ่มคูณความรู้ความชำนาญของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะยังประโยชน์แก่หน้าที่กิจการงานของเราส่วนผู้ที่มีหน้าที่เป็นผู้นำผู้อื่นเป็นผู้บริหาร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 พร้อมด้วยการรักษารักษาอะไรรักษาทรัพย์สินที่เราทํามาหาได้โดยชอบที่สูญหายไปก็ดีที่ชํารุดเก่าแก่ก็ดีมูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่นี่ว่าโดยส่วนของทรัพย์สินว่าโดยส่วนของหน้าที่การงานฐานะทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมก็พึงรักษาไว้ด้วยดีไม่ให้มีโทษ ด้วยการประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมตามพระวินัยระเบียบกฎข้อบังคับตลอดทั้งกฎหมายบ้านเมืองมิให้ผิดพลาดเสียหายแก่ฐานะหน้าที่กิจการงานของตนหรือฐานะในทางสังคมของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจนั่นพึงเพียรระวังมิให้บาปอกุศลเกิดขึ้นในสันดา เพียรกำจัดกุศลที่มีอยู่ในสันดานแล้วให้หมดสิ้นไปเพียรสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานและเพียรระวังรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นไว้แล้วนิให้เสิ็นี้ชื่อว่าความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นําเบื้องสูงยิ่งขึ้นไปอีกอีกประการหนึ่งกัรยาณมิตตาคบคนดีสัตบุรุษผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษ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 และให้มีแต่เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือคุณธรรมข้อที่สที่ว่ากัลยาณมิตรตาถ้าหากเผลอไพลไ ป, ไปคบคาสมาคมกับคนชั่วคนพาลปัญญาชั่วปัญญาชนดทั้งหลายแล้วย่อมนำตนเองไปสู่ความเสื่อมความทุกข์เดือดร้อนได้ไม่ช้าก็เร็วจึงพึงละวางการครบคนประเภทนั้นเสียหันกลับมาคบคนคนดี คนมีปัญญาหรือเป็นบัณฑิตซึ่งทั้งนี้อย่าลืมว่าคุณธรรมของคนดีหรือบัณฑิตหรือความเป็นพานนั้นก็มีอยู่ในใจของเราถึงเราจะไม่คบคนพานภายนอกจะเลือกคบแต่บัณฑิตจะไม่มีทางทราบซึ่งได้ถ้าเราไม่กําจัดความเป็นพานออกจากใจเราถ้าเราไม่เสริมสร้างความบัณฑิตขึ้นในใจเรา ให้แจ่มแจ้งเป็นคนดีที่แท้จริงก็ยากที่จะรู้ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชัว่วการที่จะเลือกคบคนดีนั้นก็ต่อเมื่อเราเองเป็นคนดีอยู่แล้วด้วยรู้คุณธรรมของคนดีคือบัณฑิตผู้มีปัญญานั้นด้วยรู้ลักษณะของผานหรือผานลักษณะด้วยอาการต่างๆทางกายทางวาจาและใจจึงเลิกคบหรือไม่คบคนผานแต่คบแต่คนดีเป็นสัตว์รุษ หรือบัณฑิตเป็นมิตรชื่อว่ากัลยาณมิตราคุณทมประการที่สามข้อนี้ก็เป็นสำคัญสมาชีวิตาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคือการบริโภคใช้สอยทรัพย์ของตนที่ทามาหาได้โดยสุจริตตามควรไม่ให้ฟืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนะพอเหมาะพอดีรู้จักแบ่งปันทรัพย์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 ตามมีตามได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมไม่ให้ตกเรียเสียหายหรือไม่ให้ใช้จ่ายไปในทางที่สุรุ่ยสุร้ายไร้ประโยชน์หรือไม่ให้คับแค้นจนเกินไปจนเกิดความทุกข์เดือดร้อนหรือไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนี้ชื่อว่าสมาชีวิตาผู้ใดประพฤตปฏิบัติธรรมทั้งสีข้อนี้คืออุทธธานะสัมปทาประกอบด้วยหรือถึงพร้อมด้วยความเพียร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 เพราะการใช้จ่ายไม่เป็นหาได้ห้าใช้ไปสิบหาอย่างคนจนแต่ใช่อย่างคนรวยโดยไม่คานึงถึงฐานะของตนดังนี้ย่อมนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองมาสู่ครอบครัวทำให้ฐานะของตนเองและครอบครัวสุดลงไปสุดลงไปยากที่จะแก้ไขเพราะฉะนั้นคุณทำทั้งสีน่นี้พึงรับปฏิบัติเถอด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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโลกุตตรธรรมนั้นต้องมีประสบการณ์จากการศึกษาอบรมจิตใจและความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาให้ดีเรียบร้อยไม่มีโทษเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขสงบกายวาจาและใจสำรวมกายวาจาและใจจึงจะเป็นสุขจึงจะเป็นทางให้สิ้นกิเลสเตแห่งทุกข์และเป็นความเจริญรุ่งเรือง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 คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์หรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้เดือดร้อนให้ชีวิตตกล่่งอันจะเป็นเวรกรรมตามสนองสืบต่อต่อกันไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่พูดป้ปดมดเท็จกระบฏโคตโกงผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่มั่วในกิเลสกรรมไม่ลักชอและ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 จากะการเสียสละกำลังกายกำลังใจสติปัญญาความสามารถตลอดทั้งศิลปะวิชาความรู้ตลอดจนถึงธรรมะให้แก่ผู้อื่นเป็นทานและประการสำคัญที่สุดประพฤติปฏิบัติธรรมสละหรือกำจัดขัดเกลากิเลตของตนเองให้หมดสิ้นไปจากสันดานอันนี้แหละเป็นจากะหรือเป็นธรรมทานที่เยี่ยมแล้วประพฤติปฏิบัติตนให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 แต่ถ้าหากท่านไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมตามธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นยากที่จะเป็นมงคลคือความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแก่ตนเพราะฉะนั้นการรับธรรมนี้ไปปฏิบัติก็ย่อมจะเป็นทางให้เจริญรุ่งเรืองและสันติสุขเป็นสตรีมงคลแก่ตนจึงขอธรรมะนี้เป็นพรสําหรับทุกท่าน ในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขของทุกท่านในโอกาสสุดท้ายนี้อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานขออ้างอำนาจคุณพระศีรัตนตรัยและบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิอำนาจสิทธิเขียบขาดแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายต้นธาตุต้นธรรมทั้งหลายพระปจเจพุธเจ้าและพระอรหันตตาขีนาสพเจ้าทั้งหลาย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 อุตโยการสั่งสมบุญนำมาสึ่งความสุขขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมฝึกปฏิบัติภาวนาธรรมชำระจิตใจให้ผ่องใสบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาณศาลาอนเนกประสงค์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม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 ตนของตนเตือนตนให้พ้นผิดตนเตือนกิจตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนยาแช่เชือนเตือนตนให้พ้นภัยคติธรรมสำหรับปีใหม่วันนี้ทางรายการได้นำมาฝากท่านสาธุชนถึงลักษณะของการพึ่งตนพึ่งธรรมและได้รับฟัง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 สันติสุขด้วยธรรมะสำหรับวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันวันนี้ในานามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามซึ่งมีพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมืองคโลเจ้า ว, วาดขอตั้งกลยาณกิจ น้อมอาราธนาบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิสิทธิเขียบขาดแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตขีนาศพพระพุทธเจ้าองค์ตนทาตุนธรรมทุกๆพระองค์และพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำผู้สอนวิชาธรรมกายขอจงมาเป็นตบะเดชะพระละวัปป์ใจคุ้มครองสาธุชนผู้รับฟังรายการ